พิจารณาร่างกายร่างกายในเป็นหินลับปัญญาการที่จะภาวนาอย่าห่างห่างเหินจากร่างกายไม่ได้นหินลับไม่ใช่มีดนะอมีดอันหนึ่งหินลับมาหนึ่งอไม่ใช่ว่าพิจารณากายนั้นแ่ะนั่นแหละมันจะพ้นทุกในจุดนั้นไม่ใช่แค่เพียงแต่หินลับปัญญาหับให้คม จะหนี้จะกายไม่ได้ตัวไหนเป็นมีดเนี่ยละมีดก็คือใจตัวนามธรรมตัวผู้รู้ตัวนั้นละ่ะตัวที่กายยทธิ์ตัวนี้ก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้มันก็ต้องเนี่ละเริ่มตั้งแต่ศีลอย่างที่พวกเราสวดลงจบสวดลงจบลงสักครู่นี้ถ้าหากว่าศีนต่างพร้อยศีนไม่บริ ส, สุทธิ์เป็นที่ตำหนิในศีน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 การอยู่เป็นคารวะต้องเป็นผู้มีเสียต้องเสียสละต้องทำมาหาเลี้ยงชีพทานมีศินศินเนี่เป็นเครื่องปกป้องผู้ใดมีศินเหมือนกับผู้นั้นจับไปอยู่บนสวรรค์คุณงามความดีพักไปอยู่บนสวรรค์ถ้าหากว่าใครไม่มีสินมันตกต่ํา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 แต่สำหรับฆราวาสเ น, นี่ยอมิสสถานต้องมีอมิสสถานด้วยแต่พวกเราอมิสสถานมีไหมก็มีอยู่บ้างที่ได้อติเลขลาบมาโดยเป็นธรรมแล้วก็แบง่งแบกแ บ, แ, บแจกแบง่งให้กับสหธรร ม, มิกแก่ผู้ที่มีความร่อยมีความทุกข์ยากลาบากกว่าเรามีความจำเป็นในเรื่องปัจจัยสีแล้วก็แบ่งให้พอเราอยู่ด้วยกันในโลก ถ้าเห็นหมาหิวมาเรากินอิ่มแล้วอย่างภาษารรบอท่านไปบินธบัตกลับมากลับมาไม่ใหม่มาเห็นหมาแม่ลูกอ่อนแม่แม่ลูกอ่อนมันจะกินลูกของมันภาษารรบรเห็นเห็นหมาโอ้มันจะกินลูกของมัน เ, น, เ น, น, น, น, นี่ยหมาตัวนี้มันหิวนะท่านก็ล้วงคอของท่านอวกออกมาให้หมาตัวตัวแม่มันกิน